ทั้งใจฟังเมนีก็จิตได้ให้ข้อคิดเพื่อเรื่องเตือนจิตสติอใจของพวกเฮาตื่นให้หวานีกับพอที่จะจำออกไปได้บางคนบางคนก็จำไั่ได้เรองการพูดการเว้าพูดกับเว้าอันเดียวกันเทศกั บ, กบแสดงอันเดียวกัน ป ร, ะะปรากรถาหรืออธิบายคําเดียวคำเพื่อจะให้เข้าใจบางคนคันเทศต้องจับมืังสือมาอ่านก่อนอันนั้นเมเ็นเทศเป็นอ่านหนังสืออันนั้นแร้วก็จำคนผู้อื่นไปบ่อยนั่นก็เป็น่องของเราของเขาเป็นคิดเป็นวันเพื่อให้จำคนผู้อื่นมาเวา่าเขาจะคุณสอนว่าให้เขาปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเอง ยังที่ว่าให้ฝั่งมืดเา้าหวานนี้เนะี่ยการเกิดมาเป็นคนเนี่ยยากหนักยากหนาพอที่เห็นได้บางคนพ่อแม่แม่ตั้งทองมาได้สองเดือนสามเดือนแท้งตายไปเลยบุญันได้เกิดเป็นคนก็มีบางคนเกิดมาเป็นคนได้สองมือสามมือตายไปตัวนี้บางคนได้สองเดือนสามเดือนตายไปตัวนี้ บางคนได้ก็ watering, ้าปีี่ปีตายก็มีบางคนได้อายุถึงเจ็ดปีแปดปีปีตายไปเขาเคยเห็นชีวิตตัวเองเขเคยเห็นจิตในใจตัวเองคนว่าชีวิตอันนั้นเป็นหม่คนบางคนพบเจอขึ้นมามือเดียววันเดียวก็สามทางรู้จักชีวิตจิตใจตัวเองตัวดีกลัวมีประโยชน์กลัวบุคคลที่มีอายุเปอยู่คนร้อยปีเป็นคนเปวัยคนแบบนี้ บวชเป็นพิชิตสมณีอของคือการบวชมาตั้งแต่ น, น้อยอย 100, ายุหันร้อยพันสาวดูเห็นชีวิตจิตใจตัวเองเมื่อเคยเห็นตัวเองเมื่เคยรู้อาการเกิดดับของตัวเองการบวชของคุณนั่นก็เป็นมาบัดนี้บุคคลผู้บวชมาเมื่อเดียวกัสามช้างถ้าเห็นชีวิตจิตใจตัวเองดีกลัวมีประโยชน์กลัวบุคคลผู้ที่บวชมาหลายปี การนการที่เฮามาปฏิบัติธรรมะนี่จึงจำเป็นทุกปฏิัดให้มันเข้าใจจริงๆเมื่อเฮามารู้ชีวิตของเฮาจิตใจของเฮาแล้วมันมีประโยชน์กาเรเลือกก็มีประโยชน์การเกิดมานางก็มีประโยชน์ถ้าเฮารู้จริงๆอันนี้เฮามาบวชนี่เรียนเรียนแล้วก็ต้องปฏิบัติโดยไม่ได้เรียนแล้วเอาไปอ้วดเฮา ไปว่าเขาอย่างไรอย่างนี้เท่านั้นมันเข้าใจอ ย, อย่างนีงมันกระดือเข า, าเอื้อมมอดมอดหาจินไม่มอดหาปัมมดบใจลานแล้วผลประโยชน์บุญเกิดขึ้นในตัวเครเมืองนั้นที่เราเห็นในตำรับตำรานั้นว่าการปฏิบัติธรรมะจ้องเป็นขั้นตอนไปอสิ่ะว่าตามตำรับตำรานั้นละพอแรกผลยอดจิตประทุกมา สุติญาสาสสนศาสติญาสานจตุสานเหตุปัญญาส า, สส า, สาเป็นวาัาทานไปวนนี้เดยว่าเห็นเดยว่าเข้าใจเดยว่าเขา้าไปสัมผัสกับสิ่งนั้นอยู่เสมอเป็น อ, อสารและวัน น, น, นี้ต่อมาผู้แปหนังสือบรุผู้เขียนหนังสือหรือเป็นครูเป็นอาจารย์ขอสั่งซ้างสิ่กนารไปว่า เ, าเขา้าเขา้าไปแล้วก็เหาะได้ นึกไปเพ่งแล้วก็ห่อ ไ, ได้ดำดินบินบนเนี่ยมันเข้าใจเองอันนั้นคือจะเข้าใจกับสำหรับท ำ, ำลายนโะมเมนต์อย่าพอเข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยงพอรู้จังสีการแต่ว่าเขาไปรู้เขาไปยู่กับซึ่งนั้นนั่นของฟื้นฟื้นด้ยนะเขาไปเพ่งไปคุกคีอยู่คลายคือเขาจักอนันึงมันคุกคี่อยู่กับมือของเขเนี้ยเขานรู้จักมันคิดมนาะเขาก็รู้จักรูก้ นี่จังหวะการเราเข้าไปมันไม่ใชเอาหัวมุดเข้าไปอย่างนั้นจังว่าการเห็นกลมคิดเป็นชีวิตของเรามันจึงมีประโยชน์มากที่สุดการคิดมันมันคิดตลอดเวลามือมือมันคิดจะต้องลอยเรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่องแสนเลื่ยงผมบอกเคยเห็นมัอจ้าเกลือเขาหุ้นเป็คิดเขาดูเห็นกลมคิดผมบอกเข้าใจกลมคิด อันนั้นเป็น เ, เองเนะี่ยปุงแต่งเรื่องสังหารคันเล่ากับตำลัดตำราตัวนงสังขารเนี่ยเป็นการปุงแต่งคนันเล่าโก ก, ก น, นจะว่อาอวิช า, เ ป, เ, า, า, า, าเป็นกระจายให้เกิดสังขารอวิชาแต่เราผมไม่รูร้จักอันคือ่รู้จักไม่รู้จักอั น, อนหาเงินหาทองกินข้ากินน้ำเบื้องนอันนะั้นบืนะ้อนอวิชาอันนั้นอวิชานั่นกับคนเข้าใจผิดมาเเววที่ อาวิชาคือไม่เห็นชีวิตไม่เห็นจิตเห็นใจเฮานี้ได้พระกุฎเจ้าคุณวรเนยน้อยอยู่เลยและแบบนี้ออกก็เลยอาวิชาแต่ว่าควรไม่รู้ว่าจะมีควมบูรุษอัไรคือควมบูรุษสำหรับตำราควมบูรุการทรามาากินควมบูรุตัวเองโอ้เหมือนกวางแต่ไป่สนแต่การแต่หนึ่งสืนั้นดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอากิบทุกสำคัญมันก็ได้ แต่การปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เข้าถึงจุดสําคัญของมันจริงๆวิชาเปวารวลูนุวิชาเปรวรู้นู้อันใดตั้งนูจิตนูใจนู้ชีวิตของเขาที่เพาะว่าเขาเห็นจิตเห็นใจเห็นชีวิตจิตใจของเขาอยู่เนี่ยในคนชดในคนสีผ้าคนเจ้าจึงว่าวิชาเปรวลูนึกว่าทานทานโดยเข้าไปรู้เข้าไปคุกคีอยู่กับสิ่ ง, งนั้นเป็นวายของการในนั้น พ่อเคยว่ากับมูเขาว่าปฐมมชานะเรื่องรูลุ่น้ําอนําดาจะซื้อคนที่มีปัญญาว่าให้ฝังแล้วเขาคิดตีแป่เอามารดเรื่องรุกน้ําบุ้งเป็นหลวงพ่อตัสว่าเมื่อนี้รุ่นน้ำแล้มันดีใจเด้เหมันที่ไม่ใใจดีเลยมันดีใจซื้อมาลูตัวปรมาทิที่มันยังจัดเป็นปฐมมัชฌาจิตใจเขาเตี้ยนข้างทีนึงนี่บุ้งเปตี้ยนดอก คล้ายๆคือว่าเห็นแจ้งนี่แหละฌานเขาได้ครั้งที่แรกนี่แหละมันเห็นแจ้งมันรู้จริงมันเข้าใจจริงมันสะพัดจริงต้องทําลายข่มโกดข่มโรคข่มหลงนี้อย่างน้อยที่สุดผู้ที่เห็นจริงเห็นปรามัติตจริงๆนะข้าพเไม่จามําออกคนผู้รุ่นมาเวาเห็นด้วยญาณด้วยปัญญาจริงๆเนี่ทยทําลายได้ๆข่มโกดข่มโรคข่มหลงอย่างน้อยที่สุดต้อง สามสิบเปอร์เซอย่างน้อยที่สุดละอันนี้คันสามสิบเปเ็ต์แยังเหลืออยู่เจ็ดสิบเปอร์บันนี้อย่างบนนม่นมันจิ้มันเรื่องอันนี้ได้บันนี้จิตใจเหามาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งที่สองนี้ก็ต้องทำหลายกลุ่มยึดมั่นถือมันเส้นอุปทานกิเลสตัณหาเหล่านี้อย่างน้อยก็ทําลายไปเหมือนกันอันนี้ก็ได้มันเป็นพักเป็นตอนเป็น อันนี้อย่างบุญธรเมนสิทธิ์ยังบุญเล่นกับตำลักตำราเือะในตำักตำราเขาบอว่าสิทธิ์เป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดละสิอันนี้อย่างบุญเล่นอันนี้มันเป็นหน้าปากคอสุดนี้นี่ยังบุญธรรเป็นปกติจิตใจเมื่อจิตใจว่าเป็นปกติกับคือว่าอย่างบุญธรมีสิทธิสมบูรณ์เนี่ย อันสินห้าสินแปดสินสิสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี้มันเป็นเรื่องสุขุมมันนั่นไม่เป็นเรื่องปรมาจาเรื่องปรมาจามันต้องมีสิ่งปรากฏเคล่อนเข้ามาในตัวของมันจริงๆมันเึ่งกำจัดกิเลสได้จริงจิเป็นอะไรกิเลสยังงามเพาะที่ว่าอันใดบางคนกล่ว่าผมโคตรผมรบผมหลุมแมนอยู่บางคนกล่ว่าเป็นนําม มีเข้าของเงินทองมีกิเลสเนี่ยกับแมนอยูเพราะควเห็นคิดเอาคิซนะื้อบางคนก็มีให้มีนามีหัวมีส่วนมีเสื้อมีผ้าเนี่ยเพราะเรกิเลสกัแมนอยูเพราะคนเห็นของคนมันคิดอย่างสั้นบางคนยาคันทำงารทํางานมากๆกับเป็นกิเลสอะ่รกับแมนเพราะความเห็นเนี่ยความนึกคิดเอาเนี่ยมันจะไม่ห ย, ยาดปัญญา มันไม่ได้ย่างเข้าไปสั้นแรกตัวมันจริงๆที่เนื้อพอเข้าใจสินเป็นเครื่องกํำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดเมื่อนเนื้อพอปฏิบัติจิวหาว่าผู้อวดอุอตลิมนุษนาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์วัสังคดาย แปลว่าทำที่เว้าเนี่ยมันเป็นทำอุตริของบุตุชนไม่มีใช่ไหมทำอุตริพูดอุตริมนุษย์าธรรมไม่พูดอวดเด็อันพูดอวดอุตริมนุษย์าธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนเป็นอาบัติประศิษฐ์เปนไรมันไมมากลับกันไหม่อีกสิ่งคนหนึ่งพูดอุตริมนุษย์หาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่มีในตน บ้านี้ที่มีในต้นเป็นวัดต้องเอาบัติประจิตตีอยูอันพูดแล้วมันไม่รู้จักนะเพื่นว่าเป็นอะไรควป็นภิกษุเพื่อนว่ากั น, นค่าจะคนเป็นภิกษุนี่คายคายตือเขาอยู่ในกงนิ่งอยู่ในมุงเหมือนเขาจะเห็นมุงได้เขาอยู่ในมุงมันเห็นอยู่ในมุงฮะเนี่ยเขาเข้าไปในมุงแล้วเขาไปซอกมุงในมุงซอกปองนั้นตองนี้มันเห็นอยู่แต่ในมุงมั่ได้เห็นแฝงมูงบม่ได้เห็นหลังมูงแล้วม่ได้เห็นไปนอกมุง เขาไม่ไเหนี่ยมมือหันมือบางๆที่อาจจะมองเห็นสงอื่นก็ได้ถ้าหากมือยืดเลยทับับนี้หรือ้าเขาคือกันเขาไปยืยทับเขาจะเห็นทับบ่โดยเห็นทับพเขาแต้ใส่ยืยทัมนี่ยยเลยทับอ่ะเ็เห็นทับทับไปมันมืดเนีมือนี่ก็คล้ายๆกับเมนมือยืดในห้องมืดแทบไม่ไดะนเขาจึงว่ที่เนี่ยพอบอกเน่ยพว้สั่อนตัวออกจากมือ ถอนตัวออกจากถ้ออกออกาอยู่นอกมุงอยู่นอกถ้าเขายู่นอกมุงเขากับเบ่งมุงก็เห็นมุงอันนั้นหูมันอันนั้นหลังมนันนั้นซ่วงมันเป็นอะไทางสิกันอยู่ได้บัดนี้เขาออกจากถ้าบัด น, นี้เขาก็มองเมองเห็นถ้ำอันนั้นเป็นหินเป็นโนนเป็นเข่าเป็นฟูปากถ้าเขาก็เห็นอยู่มันมันมืดไม่จมับอะนรั้นถ้ำเป็นแบบมืด มันมีเจ้าหัวไอ้จัวหรือภระกรรมฐานต้องไปหาอยู่ในถ้ันนั้นกับเมนอยู่มันเป็นย่ยพอเข้าใจยัเพรานนะนั้นเมื่อเนี่ยพ่อทําลายมาจิตใจเปียกหน้ามือเป็นหลังมือหรือหนักเป็นเบาโง่เป็นสลากจิตใจเป็นยังไงกันหนักเป็นเบาท้งแต่ก้อนมันน่ะจิตใจเป็นหนักพอได้เห็นมันเบาขึ้นมาลูกต่ก้อนจิตใจมันมืด มันบูมจักมันมือเปลีนบบเห็นเดี๋ยวนี้มันสว่างมันเห็นวันนี้มันเข้าใจอย่างเปืี่นหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ดําเป็นขาวเข้ามาสิฟองเทือกอีกใจเปลี่ยนออมาเปลี่ยนมือแรงตอนตอนนี้เปลี่ยนมือแรงนะตอนเศ้าบาญพรพ์ไปเดินจมกลมพอปานนี่แหละอีกตื่นในลาวตีตีตัวตีห้าเลยนะายพรพ์ไปเดินจมระยะเดินจมกลมอีกตื่น ลากรดขึ้นมาลุกศิษยิ้นแปลปกติจริงๆศิลเขาก็เลยไปแปลตามหนังสือว่าศินลกกนแปลว่ากําจักรกิเลยงเงียงหรือศิล์นแปว่ขัดเก่าศิลนแปลว่าหุกวัตถุขาจอกสรางเว้ากันคนหนักเทศิดคือเหล็กสบายคือหีนกัดไม้กัดเหล็กนี่แหละขจะวานเป็นเครื่องขัดเก่ามีดพาพวกเขาเอาไปลับใส่หินหีนมันจึงกัด คมเม็ดคมพามมันจึงคมขึ้นมารู้เหล็กสบายไปผัดไม้หรือผัดเหล็กเนือยนึกอ ะ, ะมันจึงคมขึ้นมาแมนใ้เทียนะมันสมมุติเมือนเปียบเทียบให้ฟังคงว่าไปคิดจังทันกับแมนในเทียแล้วกรบอกสัผิดเน้แต่มันว่าวซื้อบางทีอาจจะบูฮุจักต่ำถามแล้วจับต้นส่วนปลายโบได้กัแม่ข่มข้าเจ้าซึ่งที่หยาโพวาวเนี่ยหย่าพพฮ้จักว่าศิล สิงขันขันแปลว่าลองรับขันแปลว่าที่เนี่ยสิงขันสมาธิขันปัญญาขันขันแปลว่าที่ขันแปลว่าลองรับขันคือขันห้าเนี่ยแปลว่าลองรับรับได้สมมุติที่ซื้อบริเนี่ยจินอันนี้มันลองรับสมมุติว่าน้ำมันน้ำมันเป็นสินหรือน้ำมันกากกันแล้วบรรเมยนี้ไปเอาเอาขัดดินเอาดินให้ขัด เอาดินมาให้ขัดเลยครับดินหม้เอเขานะนะั่นแหละหม้อนึ่งหม้อแกงเอามาตีหม้ออุ่มหม้ออิงย่างเงื่อนเอาน้ำมันกาดน้ำมันินซีจะชอกว่าซันมาสิเก็บอะไรบ้างเก็ดบโ บ, าาดาาบ ไ, ดได้น้ํามันกาดน้ำมันบินซีมันแหละมันซึมเป็นแต่น้ําท่าเนี่ยเก็ดบได้แต่อันนั้นมันเก็บโบได้เอาไว้ย่างหึงกระโบเกินพอส้มหมองสองสมง้มหมองวัดน้ำมันแก่น้ํามันน้ํามันแกะน้ำมันกาดเน่ยนะเพราะว่ามันด้วยไม่สิ่งอันนั้นนี่ สิ่งขัญไปว่าที่นี่รองรับได้รองเมนเอากระป๋องเอายังที่เป็นพลาสติกบหรือพลาสติกบรรจุน้ํำมันกัดนี่เป็นฟองน้าปองน้ำมันกัดบ้านนี้เอาทองหรือเอาเหล็กหรือเอาสังกะสีอย่างที่เขาจะาริกแต่ถอดแต่น้ำมันมันบกหัวมันเป็นรองรับมันละเอียดรายละเอียดตัวละเอียดมันต้องรองรับกันได้ดีเนี่มันเป็นดันั้นที่ว่าอันนี้นี่ยมันรองรับ มันต่อต้านได้มันเก็บไปได้ดีมันจึงเห็นอยู่ทุกขณะเวลาทุกลมหายใจก็ปฏิบัติเพื่อควเข้าใจอย่างสี้สิ่งอันนี้กําจัดกิเลสอย่งงางยาบได้จริงๆยังยากคือยัง ค, ยคนมันติดดีคนติดดีนี่เอื้กิเลสอย่งางยากว่ามืดสีดำนั้นมันเห็นง่ายมืดสีขาวนี่มองไม่เห็นเขามืดสีดำนุ่งกัเฮาหย่างไปกันเห็นมันมืดๆคลื่นๆนี่เฮาระวังรู้ไปเนี่ย คันหอมย่างไปเปนเหมืนแจ้งแจ้งเห็นน้ำแบบ น, นี้ข่าวเขาไอกว่ามันดินแห้งแล้วใ่ไไปเหยียบตุต้มเอารถเปียกลงอันนี้ว่ามืดสีขาวมองบุคคยเหตุง่ายมืดสีดำมีเหตุง่ายค น, ขนเขาแบบนี้คันโกดเข้ามาลุยตั้งแ ต, งตง่มนเห็นระหว่างแสดงควมซัวเนี่ยบาตนี้คนติดดีเลยแสดงควมดีละมุนําไหมประจบประแจงอันนั้นเขามืดสีขาวคนอยากได้ดี คนอยากได้เตดีมันติดดีนะเพื่อนที่มาพอพระเจ้าพิงสอนว่าอย่าไปติดมันดีกระโบเอาชั่วกระโบเอจัจงว่ากุศลาธรรมะอากุศลาธรรมะนี่บ่กอาพญากาตาธรรมะวางกาเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างสั้นอย่าไปติดดีอย่าไปติดชั่วเมื่อพอรู้จักสึ้นที่ว่ากําจัดกิเลสอย่างหยาบอันนี้จำพวกมีเงินหลไหลทําบุญหลายลตายแล้วจะได้ไปเกิเป็นเหตว่าติดติดเทวดา เทวดาก็ะม่อมหุจักรสามผู้จังสังหุ่นจักว่าในเขาเป็นเทวดาบุแต่ว่ากิเลสอย่งงางยัดเมื่อใสิ่งในหุ่นจักรสีรส่ลสมาธิําจัดกิเลสอย่างกลางจําพวกติดข่มสงบหาว่าความสงบอันนั้นถูกต้องเขาได้ยินบ่แต่พระพุทธเจ้าปเป็นเลียงไปศึกษาอยู่กับพวกอาลาดาบุตรธกาดาบุตรได้สมาบัติเจ็สมาบัติแปดติดมูนัอะไ้ เนี่ยพอบูฮู้จากกิเลสยางกลางนั่นเนี่ยกิเลสยางกลางไปว่าทำกลมสงบเนี่ยพอสอนได้เนี่ยพอกล้ายืนยันนับรองสอนได้ไผ่ต้องการมัดกลมสงบตัวแข็งเนี่ยพอสอนได้เพราะเนี่ยพ่อเหตุจริงๆเนียนพ่อมีจริงเนี่ยจะว่าพูดอุตตริมนุษยธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่มันมีเลเราเราสามารถเอามาแพร่มาเวาให้มู่ฝั่งได้แจงสัน อันนั้นมันบุธุกแต่มันทุกยุทธุกแบบนั้นมันไม่เป็นทางดับทุกอันนี้อย่าพอสิตกล้ายืนยันสอนใดอย่าพอมันเข้าใจเลยบนพม่นที่ว่าประจําคนผ <c oughs> นั้นผู้นี้มาวา่าอย่างพออย่างพอรู้จักจริงๆแต่หัวหน้านั้นมาชี้เป็นอยางนั้นวิธีที่จะทําให้ตัวแข็งจับลมหายใจเมื่อลมหายใจละเอียดเข้าไปก็มันหลงมันหลงต้นลงปลายลมหายใจกับเป็นตัวแขงกับหรือตรงนี้สืดไม่ดีเรื่องนี้อ่ะ แล้วไม่ไ้หาว่าเข้าศาสตร์นี่แหละมันจีนเนีศาสตร์จะได้มันลงนี่มันเป็น อ, าาอันนี่ยสมาธิจัด ก, การได้บนันทึกปัญญากําจัดกิ่เรื่องละเอียดเออท่านหัวจักหู้จักจำพวกา่กาตามาสวะภาว ะ, ะวาสาวะอวิชชาสาวะต้อเหตุมุนี้บันี้คนติดอยู่ในกาบกามเนี่ยคือหมายถึงพบศาสตรกา ม, มาสาวะจิตพ้นแล้ว เนื่องด้วยกามกามนี่มันหลายด้วยคาว่ากามเดี๋ยวภาวาสาวะจิตหลุดพ้นแล้วเนื่องโดยภพอวิสาสาวะจิตหลุดพ้นแล้วเนื่องด้วยจากอาวิชาะะมันต้องเข้าใจอย่างสิอันนี้ที่ว่าอาธิิสถิติขาอาธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิข า, า, าสิา่งอันนี้คำจัดอันนี้มันจึงจะแม่นอันนั้นอันนี้เป็นอันดับที่สามอันดับที่สี่เบรรีย จิตใจสติปัญญาหงหรืออะไรมันจะมารวมตัวกันเข้าแบบนี้มันทีพิกใส่ติ่งใส่ทุกสิ่งทุกอย่างมันที่ปรากฏตัวอยู่เสมอเลี้ยงสันเห็นเลี้ยงสันเข้าใจเลี้ยงสันสัมผัสเลี้ยงสันอันนี้เป็นว่าฌานเดี๋เขาสานไปว่าเห็นสานไปว่ารู้จะย่างไปใส่มาใส่หมือนว่าเขาไปคุกคีกับสิ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นว่ามันแลกหรือมันแทงเข้าไปมันเจาะเข้าไป มันไปยุ่กับมันนั้นเะว่าวาให้ฝังเมื่อแมวกับหนูพอดีหนูกะโจรมาแมวมาจับตับหลดหนูก็ต้องตายแมวก็ต้องคาไปถึงมาคาไปไว้บนหนูหนูก็าตายกระตั้งามาันคาไปวางคันหนูก็ดิกตัวขึ้นมาแมวมันกระโดดใส่ไหลจับอัดตึงนี่อันนี้แหละที่ว่าสิ้นแท้ อันนี้สินฐันเนี่นะว่าสินสิกขาสินไปว่าทะลุงมาสันเจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นว่าสินไปว่าถลุงมาสันทะลุงมันแรกก็ใหญ่ๆเนี่ยมล้วแรกมันก็ต้องเป็นหินมันเนี้ยเอาไปเข้าโรงงานโรงงานมันบดเอามันกระจายออกไปมันเลือกได้อันนี้คันว่าคนบันเนี่ยคนนี่ก็คือกานมันรู้จักจริงๆนะคนไปว่าหลายซึ่งหลายย่างมันมารวมกันอยู่นี้ บัญญัตยาเนี่ยมันจะเข้าไปเลือกคัดจัดหาได้เขาก็เลยมาว่าในหนังสือวิสุทธิจิตวิธธรรมะวิจัยยะขุมสอดสองธรรมธรรมะวิจัยยะขุมสอดสองธรรมคือมันวิจัยตัวสติปัญญามันที่วิจัยเอาเขาไปว่าวธรรมะวิจัยะขุมสอดสองธรรมมันเอาสติได้กำลังเขาเอาไปจิตใจเขาจะสอดส่องจิตเลยวะเขาไปวิจัยจิตเลยบะ มันบได้เข้าไปสอดสองมันบได้เข้าไปวิจัยมันไม่ว่าโ อ, อ้เสื้ออันนี้เขาว่าดื่มจากคำพูดของผู้อื่นและไปจําคําพูดมาจากผู้อื่นมาบ้านนี้เมื่อว่าวันจันที์แล้วเขามาวาเลี่เรื่องอาบัตต่างๆเขามาเวี่เรื่องกับอาบัตต่างๆเลยกตัวอย่างเส้นอาบัตประสิกษณนี่เขาว่าเศรเมทุนหนึ่งทิศสุ เศรษฐีถุนต้องอาบัติพลาสิกพิจุลักของเขาเดนเนี่ยราคาห้ามาศต้องอาบัติพลาสิกอื่งพิจุข้าจัดมนุษย์นอกคันในคันเป็นโจ๊กต้องอาบัติพลาสติกหนึ่งเดนนี้พิจุหรือสมณะประตามพูดอวดอุตลิมนุษย์หาทคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนขาดจากกรมเิ็นพิจุขาดจะกกเป็นสมณะอ่านวัน มันใเพศเมทุนหนึ่งข้าเจลบหมายถึงเพศรตรัวกันข้ามอย่าเพศผู้หญิงไม่เพศตัดตัวเมียขาจะวางในตำลางเพศเมทุนเนี่ยหมายถึงมีความคิดงโงโงความคิดอวิชชาเพศเป็นว่ายุดนำ้ำยุดน้ำความคิดอันโงโงงความคิดของอวิชชานั่นแหละเป็นเอื้นเพศเมทุนเพศเมทูลฉะนั้นจึงว่าอยากไปอยู่กับความคิดอันโงโงโงอย่างซันเคนรสนย่างซันกับลเจ้า เพศเมทุนเนี่ยลักของเขาบัดเนี่ยอย่าไปจําเอาคำพูดของผู้อื่นมาเว่าให้เขาต้องปฏิบัติจังสั้นบนเนี่ยอันนี้ลักของเขาต้องเป็นเหมือนเป็นทองคำว่าเพศเมถุนก็ต้องหมายถึงเพศตรงกันข้ามต้องเพศแท้ๆนี้ถึงเลยขจะวางสั้นฆ่าสัตว์บนเนี่ยหมายถึงฆ่ามนุษย์นอกคันนะครับหมาถึงฆ่าตายแท้ๆนี้่ขาจาวางสั้นตําราเขาจะวาจังสั้น ถ้าจัดนี่หมายถึงความคิดประเภทนั้นนะยานประเภทนั้นนะสามารถที่ทำอันนั้นได้ทุกคนแต่มันโบทํามันได้ทำสิ่งนั้นก็นเลยหมันจึงว่าชีวิตเป็นหมันเป็นว่าจังสรรคมันพูดอุตลือมนุษย์ธรรมคือทําอันยิ่งของมนุษย์อันพุทุโซนคนธรรมดานี่มันโบสามารถที่แทนที่เจาะเข้ามาอยา่างแตนได้จิ่งว่าพุทุโซนคนธรรมดาคันเมื่อผู้ควมจริงให้ฟังแล้วโบพอใจ เทียโกดขนาดไม่เงินงสั้น่อว่าคนมันเป็นอย่างสัน้นเพราะจีว่าคนคนจีว่ามันมีหลายอย่างอยู่ในเนี่ยเขาต้องขัดหาเลือกหาจัางสันอย่างใดตอนนี้ต้องจิตใจเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปยุสภาพนึงครั้งที่สามอันนี้เจเจรู้จังสีไดเมื่อจิตใจบเปลี่ยนสีจังรูปไดตอนนี้เขาต้องทําไปบน่น มันมารวมกันจัด ต, ตัวธาตุสจัดตัวไว้มารวมกันงานทุกประเภทมารวมกันคจิวากันอย่างภาษาที่เขาเรียนกันว่าหมายถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเลิกกันไฟจิกระได้ย้ายทำงานสิก็ได้คือยังเขามีซี่ขนเนี่ยถึงเวลาแล้วเลิกพักหยุดงานก็ทําทงานหน้าที่ก็ทําทงานเนี่ยรึงเวลาเลิกแล้ว คันไม่ทําทงานได้เนี่ยมันตายไปมันบวมเนี่ยนะั่งแต่จำพวกนี้เราบวชหยุดงานดังงานอันนั้นบวชเป็นหน้าที่ที่ทำไปตึมแล้วขจะว่าหยุดงานเนี่ยจัดตัวทศชาติเรารวมกันนะสั่งเลิกคือเขาสั่งกันเนี่ยเลิกเนะ่ยนะทําวัดเลิกเลิกอะไรกเลิกพร้อมกันอันนั้นก็คือกันหยุดงานบวชเขาเรียก ว, ว่าจัดตัวทศชาติปัจญจมฉันแปลว่าบวกมีทุกพอพวกนั้นหยุดงานได้พวกนี้กับบมีทุกพวกนั้นทํางานมาพวกนี้ก็มีทุก เพลิดเพลินอภิชาเป็นปัจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจัยเกิดญญวิญญาณวิญญาณเป็นปัจัยเกิดนามลูกไปตามเรื่องไปเลยนี่เป็นโสกปริเทวทุกขโทมลัตสัพยาดไปเรื่องเรื่องเลยเป็นเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาทอันนั้นมเป็นตำลาได้นั่นมันบอกฉันนี่ของจริงคือ ย, อยัง่งยเพอาว่าคุณเดี๋ผมว่าเดี๋ยวนี้ น, น, นี่ผมก้ายืนยันรับรองได้ทุกคนปฏิบัติอยู่ท่นานผิ่างนี้แปเข้าตำลาแล้ว เขาจำตํำนามาว่ามาัานเั็นยังไงโย่มันก็นกนเป็นมอดกินหนังสือมอดกัดไม้แล้วนึกกับไ่ได้เข้าใจเลยแต่ว่าตํานานดีอยู่ด้วยทงจัดกับตํานานอีกตืมแล้วมาปฏิบัติอีกตืมเข้ากันได้คันที่จำมาตํานานจะซื้อไม่โบปฏิบัติจะซื้อบอเแี่ยนีเ่เป็นพอดีส่นั้งหยุดงานปับ๊บเน่ยพอเคยเฮ็ดใ เบื้งเอามือมากดเซนเนี่ยเซนนี้มันแบงเอามือกดที่ปั๊บมันเข่าชัดเบยปรเดี๋ยวนั่นเป็นเหรอสมาจิตใจเรต้องไปสำาักมันข่มสะอาดข่มสว่างค่มสงบมันมีอยู่แล้วจิตใจของเราตัวชีวิตจิตใจของเราจริงๆที่มันบดสะอาดที่มันบดสว่างที่มันบดสงบนั้นโดยเน่องชีวิตจิตใจของเราเขาหลงไปขั้วอะไรนั้นมาซื่อนี่น่ะแล้วอย่าพอเคยให้เบื้งเอาเสื้อในร้อนมัดใส่ก็เนื้อไปมัดคู่ใส่ สนมไปพวกเสานั้นสนมพวกเสานี้แล้วเอามี้ไปตัดตรงกลางปัดเมื่อไฟไปจุดเมื่อตัดตรงกลางแล้วดึงไปกับมันบูถึกันเนี่ยเห็นมันมันอดนะครับคุณพี่มันบูถึงกันเคี้ยวเสนั้นมาต้อทังที่บูถึงเส้นนั้นอีกซึ่งแลบเคี้ยวเส้นนี้ไปต่อนทั้งบูถึงเหมืบูถึงแต่เมื่อคันเอาไปมัดทั้หุกมันบูถึงตรงกลางเนี่ยมันหยุดกนาดันมันเป็นอันซีวิธีหยุดจ้ะมันบอกด้ยังว่าตาเห็นรูป อย่าไปคิดว่าดีารากระเั้าอานาคแมนอยู่หูฟังเสียงอย่าไปคิดว่าเสียงดีเสียงซวยอานามแมนอยู่อันนั้นเป็นตํำราอันนั้นนะคําว่าดิบนี่มันหยุดมันเป็นธรรมศาสตร์ของมันอันนี้ศึกษาธรรมะเข้าไปหามันโดยเป็นกฎของธรรมศาสตร์มันเป็นกฎของธรรมศาตร์มันเป็นกฎตายตัวอย่างนั้นสำหรับ ก, การปฏิบัติธรรมะที่ว่ารู้จริงๆเข้าใจจริงๆเมื่อเราไปรู้จริงไปสอนผู้อื่นมันผิด มันผิดแล้วมันทูกข์เหรอมังกบรบบถูกแล้วจีว่าจะไหนมันจะทูกข์จะไหนเขามันผิดแล้วเด็กคามันทุกแล้วมันจะผิดเหรอหรือวมันกบรบบผิดแล้วเขามันทูกข์เดยวด็กที่อย่างพอเปรียบให้ฟังคือเขาจีไปแต่พุงเทปได้ว่าใช่จีไปหา พ, พระเจ้าแผดินพระสกทานนี่จีไปหาสุนทรภพาาระสังขาราพระสังฆได้ไปแล้วเขาโบาเคยเห็น พ, พระเจ้าแผดินเขาบบเคยรู้จัก พ, พระเจ้าแผดิน เขาบูรุษจักปรตันธ์บ้านเหือนของเพื่อยูตําเนี้นึกพันกันธนเขาบูรุษจักรนึกเจอเขาที่ไปหาสมเด็จพระสังฆาชคือกันเขาบูรูษจักว่าเพื่อยูกุดแดรูปร่างตันานเพื่อนจังไดเขาบูรุษจักรตันนี้รูปแบพันเขาบูรุษจักรบ้านี้เขาจี๋ผาผู้อื่นไป่ด้วยกันคันในหลวงเขาเป็นแป้งตัวอยู่กับจีู๋้จักในหลวงเนี่ยเพราะว่ามันมีเสื่องแบบผิดมู่คันที่เป็นเฮตุเป็นคนธรรมดาเขา เป็นซาวนาซาวส่วนเหนือยรับรองมาลอยถึงลอย เ, เต็มเปี้ยะบูฮู้จักเทะเพราะคนคือกันเนีมันอที่เข้าไปยังไงวันนี้เขาที่ไปทุกจังไหนเขาที่ไปฟังกวุมผู้ที่บูฮู้จักพาเขาไปเขาต้องไปก่อนที่ไปสอนคนอื่นต้องไปก่อนไปเห็นรูปลางลักษณะสันทานรูปจากบ้านเฮือนตั้งอยู่ฮันยูนี่อนี่แล้วก็ไปเห็นส่วนเดะสังฆราชคือกันรูปลางสันธานหน้าตา เพื่อนเป็นอย่างท่านน้องที่ขอกไปเห็นโยธาลนขนทางก็จำได้อย่างพระเจ้าไปดูนั้นขี่รถมาประเหต์ก็จำได้นี่เลี้ยงงาออกมาตามถนนขนทางก็จำได้นี่เปอ็อันนี้คือการการที่จิตสอนธรรมะนี่มันเป็นความลึกขึ้นที่สุดคำสอนของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งละเอียดที่สุดเหมือนกับน้ำมันที่ละเอียดที่สุด กั้นกองเอาไปเต็มมือร้อนร้อนเลยเถอะฉะนั้นเขามาศึกษานี่มันเอาทางเปื้อวทางแกน่นทางมอกทางกะพีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างน่ะประสมประสานกันฉะนั้นเรื่องการเจริญปัญนานี่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเมื่อศึกษาบูรูษบูเข้าใจแล้วมันสี่ไปทิดนั่นเอฉะนั้นเรื่องคําว่าจัตัวทศสาร แต่ลวกรวกปัญจมาสารปละว่ามันศูนดไม่สูดไม่มีเลยมันมีอยู่คำว่าสูดไม่แปลว่ามันไม่มีเลยนะมันดับมันดับเสื่อโลกดับนด้ไหมกระสุนตีบนมันมีอยู่มันมีอยู่มันที่เป็นเองถึงจุดมันมันเป็นเองความเป็นเองนี่แหละคนว่าเป็นกฎของธรรมชาติชนิดหนึ่งมันเป็นเองความเป็นจะนี้ดี้มีอยู่อะไรในคนทุกคนไม่เห็น จะเป็นคนซาร์ไดก็ตามคือศาสนาใดก็ตามมึงผ้าสีอะไรก็ตามมีแล้วทุกคนคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าสอนคนเพราะว่าตัวคนจึงเป็นตัวศาสนาตัวคนตัวสติปัญญาจึงเป็นตัวพุทธศาสนาตัวคนมันได้เป็นตัวศาสนาบนนั้นที่ว่าวัดมาอาราม น, นี่กัแมนยุอันนี้เป็นศาสนาสมมุติคนสอนจังท่านพุทธเจ้าสอน ดังนั้น erte, มันจะ ocument, มีเปือยมีกระทิมีแก่น Politics, มีแกนเขานแก่นมกระบได้เจียทิ้งจทมันไปให้แก่นกรบบได้มิจเจาโตมอกมันไปให้แก่นใจกลามันกระบได้มันโบได้เด็เพราะงั้นแปลว่าเขาอยากเข้าไปอยู่ในมุงของเขาเข้าไปอยู่ในมุงแล้วมันจะโบเห็นมุงขนเขาเข้าไปอยู่ในรมแล้วมันจะบเห็นทำ เขาต้องออกจากหนอกมุงออกจากนองทํามาอยู่ข้างนอกคาว่าออกจากหนอกมุงนองทํานี่ก็หมายถึงออกจากผมคิดคันมันคิดแล้อยากจะรู้กับมันให้ตัดผมคิดนั้นทิ้งทามาคอยเบ่งผมคิดนี้มันคิดมาเว้ยหึ่งเขาเห็นเขารู้เขาเข้าใจมันทิ่เป็นวิถีบวกกับลบมือหนึน่งเขาคิดลอยเรื่องอะไรไดไปเขารู้เรื่องหนึ่ง มันก็มาถึงรอยแล้วมันก็ได้เก้าสิบเก้าเท่านั้นมันนี้มันคิดมาสองเรื่องหา่ารูมันก็ลดลงมาลดลงมาทางที่ก็ไหลขึ้นไหลขึ้นทางรถก็ออกไปทางบวกก็ได้ขึ้นมาเป็นหนาตรฉะนั้นต้อมาเรื่องนี้นะที่จะคิหัดกันให้หัดเบื้งของคิดหัดเบื้องของคิดพอดีมันคิดปุ๊บทันปุ๊บทัน ประมาณเท่าใดแล้วทีผู้ที่ทีเป็นอาจารย์สอนขเจ้าต้องถามนะ่ะปฏิบัติเรื่องรูปนามรู้จักแล้วสอนให้เบื้งองหงคิดเนี่ยต้องสอนให้รู้จักว่าขาเจ้าคิดผมได้แล้วอย่างน้อยต้องเจ็ดสิบเปอร์เซมิเดสิบเอร์เซ็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตันเข้ามาถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นะ่ะต้องอาจารย์ก็ต้องระมัดระวะังเตรียมตัวเขาเป็นอาจารย์ก็ต้องเตรียมตั ว, วเลยเตรียมตัวยังไงเลย ให้คนนั้นเข้าอยู่ในห้องอบรมคอยย้ายไมีอารมณ์จะไปพูดไปคุยกับคนอื่นให้คนนั้นละคอยต้องปฏิบัติจริงๆนะครับคอยไปซีไปซีเนี่ยคนคันดูซีเนี่ยมันบรู้จักเนี่ยหอมวันบูสิมินพระพุทธเจ้าหอมันเป็นปุถุชนเนี่ยคอยฟังคนซีแล้ะมาจีเห็นไปตามเนี่ยของครูบาอาจารย์เป็นนั่นพอดีมาจีเป็นเองเนี่ยเมื่อเป็นเองแล้ว หน้ามือเป็นหนังมือดำเป็นขาวหนักเป็นเบางโง่เป็นสลาดหน้ามือเป็นหลังมือตะกี้มันเอาหลังมือเนีเป็นหน้ามือวันนี้เปลี่ยนหน้ากันเลยเป็นอะไรักองันนี้ความโง่มันมียุทแต่ก่อนหรความโง่มาที่หายไปมีความสลาดขึ้นม า, า, นามมแทนคนดำมันมียุทธ์ตะกอนดำมาทีา่หายไปะความขาวมันขึ้นมาแทนเป็นอะไรัก่าความเป็นปุถุชนบัเนี่ยมาที่หายไปความเป็นอะไรบุคคล ม, มันจะขึ้นมาแทน น้ำกระจิตแทนกันไปตามลําดับลําดับลําดับขึ้นไปเป็นอย่างับจนถึงที่สุดมันต้องเป็นหลักานจริงๆพระุทธเจ้าสอนแล้วโบผิดคําสอนของพระเจ้าจะ น, นึนคนกความโก้ความโลภความหลงเนี่ยมันบบได้มีที่เขาเขาหลงชีวิตเขาเขาโบเคยเห็นชีวิตจิต ใ, ใจของเขาเมื่อผู้ใดพูดเรืดด่องมาวายเขาเของเรืไปจับเอ า, าพ่ะพุทมือจับไลย เราม่้นมือจับตัวอวิชานไปจับออกมาถ้าจับออกมาแล้วมันปุง้งมันปุ้งเลยเป็นสังขารสังขารกร็แล้วปุง้งแต่งกันหนักแล้วเบนหนักใจหนักใจแล้วเราก็โคดขึ้นมาแล้วเบนเหาระเบื้จักทุกข์ได้เบนมันหนักอย่างน้อยต้องร้อยเปอเซ็นต์ขึ้นได้นะอันนั้นคือรอยตุกนาลกทางเป็นถ้าหากนาลกต่อเมื่อตายมีแทกัด เขาตายไปกระปตกนรกแทืดองหน้าคุณศาสหน้าแค่เาบวเห็นเนนรกเมื่ออื่นสาดหน้าเขาบวเห็นนี่เขาเห็นเต็มี่ปัจจุบันตอนนี้เมื่อเขาบ่ามีทุกข์ในปัจจุบันนี้แล้วนีบ้างไเขาบ่ามีขมโกรธมโรคมโรคเที่ว่าทั้นเขาอยู่ด้วยสติปัญญาเห็นสิ่จิตใจเขายู่งสิเขาบวมีทุกข์แมนบ่นเนี่รือไม่มทุกข์หรแมนบ่เข น, นมีทุกข์แล้วหนักใจเลยบ่ คนหนักก็คือมักขี้หีน่นบะเอาขี้หีนไปโยนลงน้ำมันชีพูหรือมันชีจมบันนี้ขันเอาไม้เฮียไม้แห้งๆเนไปโยนลงน้ำมันชีจมเ่าะเนี่ยอันนี้ก็คือกันฉะนั้นจิตใจดักหนักเนี่ยตายไปแล้วขันนั้นลบทีจริงๆก็คือขี้หีนนั่นแหละประจมปิ้งลงไปตกนั้นลบทุนโลดเป็นวัดบันนี้ขันจิตใจมันเบาแล้วบันเนี่ยคันถักสบันมีพานมีจริงวะฉะนั้นตายไปแล้วก็มันกเบามันก็บู้จม ฉะนั้นวสวรรค์มีผ่านเขาโบได้เห็นด้วยตาเขาคนโง่มันจะเห็นยังไงมันต้องเป็นคนเซนลาดมันต้องเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าฉะนั้นผูใ้ใดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจีงว่าเพิ่งมาได้กระแสะพระมีผ่านได้ดวงตาเห็นทำเพิ่งว่าจิตใจมันบนหนักกันฟันเมื่อหากสวรรค์มีผ่านมีจริงตายแล้วก็ต้องได้ไปจริงจริงบต้องพัฒนาดอกอันนั้นลูกก็คือกันโบต้องได้พัฒนามันหอก คนไปลักเป็ดลักไกลลักงวงลักหวยผิดกฎหมายนี่เนี่ยของจิ้เทียได้เห็นดูตัวนี้นี่เห็นตำรวจมาตกใจรถหน้าเสียรถเขาจับจะไปสอบสวนเหมือนนี่จับสอบสวนเราต้นส่วนปลายโบถูกเหมืนี่เขาก็จับแต่เข้าห้องขังไปเข้าตารางฟ้านี่ยตอนนี้เขาโบได้ไปลักเตดลักไกลบเหมืนี่โบได้เฮงยังโบผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ยังเฮงไปเห็นตำรวจเขาก็สบายใจอยู่งไปข้าเจ้าก็บรจัดเขาเนี่ย อันนี้ก็คือการนันเป็นเรื่องสมมุติเด้อันที่เราเนี่ยฉะนั้นจึงว่า ก, การปฏิบัติธรรมจึงต้องปฏิบัติจริงๆให้เข้าใจจริงๆให้เห็นแจ้งจรูง้จริงๆจริงจึงนําไปสอนคนอื่นรับรองได้จริงๆนง่ายๆถ้าหากรับรองคําพูดตัวเองบ่ใดนั้นผิดเพื่อน่ังว่าเราจังนึ่งไปปฏิบัติจังนึงบางทีใส่ใดบอกเขาต้องพยายามปฏิบัติตรงกับคําพูดของเขา คำพูดของเขาว่าไปยังที่มันต้องตรงไปขัดตันเรื่องธรรมะ ม, มันต้องตรงในแท้เน้ผิดบุได้นผิดเคลื่อนไปนิดเดียวกับผ่าดไปโลดฉะนั้นจีว่ามีวิปัจสานุมีวิปัสสนามีจินตญาณตรงกันข้ามเพื่อทำลายวิปัสนาตัวปัญญาของวิปัสนาจากเกิดขึ้นได้ยากเพราะวิปัสจานุเพราะวิปัสสนาเพราะจินตญาณถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่นำมาสอนเนี่ยนะลู่จากวิปัสจานุดี รู้จักมีประลาดดีรู้จักจิตญาณดีผู้ที่เดินตามมันกรโบขัดคอ้องเพราะว่าผู้นั้นรู้จักเนี้เอาแล้วผู้นี้เป็นนิพพตนูแล้วคอยแก้ไขนิพพานูออกไปรูเอาแล้วผู้นี้เป็นมีประลาดแล้วคอยแก้ไขมีประลดาดออกไปรูเอาแล้วผู้นี้เป็นจิต ญ, ญาณแล้วคอยแก้ไขจิต ญ, ญาณออกไปรมันก็ไม่เสียเวลาสินะผู้เดินทางตามบรรลือคนที่ผู้บูรู้จักไปส่อนเขาคือว่าเมื่อกี้นี้ที่ไปหานายหลวงนายหลวงไปคุณเมื่อกี้นี้ ส่วนทางก็คล้ายๆี่ใคือเขาออกจากวัดที่ไปในหลวงเข้ามาในวัดเฮานี้เขาบูฮู้จักในหลวงนี่เขาจะไปหาในหลวงมันก็ที่ตามเพิ่นพุ่บบอกเพิ่นเข้ามาในวัดที่เขาไปเพิ่นขึ้นรถไปแล้วเขาเพิ่นกลมาหาเขาบูเห็นว่ากับขี่รถก็มียู่รถนี่ส่วนรถส่วนเดือพระสังฆราชที่มาเบิ้งวัดเฮานี่คือกันเขาออกไปที่ไปหาไปมีมูลพระสมวเดือพระสังฆราชมาเบิ้งวัดเขาเขาออกไปแล้วเพิ่นนก็ขี่รถเข้ามาซ้อนกันนี้เขาบูฮู้จักเพิ่นเขาก็ไปตามหาเพิ่นบันี้ ตนมาหาเขาเป็นบรเีรหนีเ็นไปนั้นการพนาถึงระศีอริยไมตไตก็คือกานเขาบูรหาากักพระศีอริยไมตไตรมันทีู่รักได้จงังไดที่ไปดเพิ่ได้จงังไดเาต้องทาตัวของเขาให้เป็นพระศีอริยไม่ไต่เป็นลูกสิบพุก้อนตอนพระศีอริยไมตไตรเนี่ยเขาที่ไปเอาพระศีอริยไม่ไต่อายุแปดมื่นปีนั้นอันนั้นมันไก่เอาเป็นลูกสิบพระพุทธเจ้านี่นะ ที่มันนอนนี่นะอาจจะเป็นพระสี่อนี้ไม่ใก่จันนังกระได้คือกันพระแปลประเสริฐเป็นวันเงาสี่แปลว่างามโบมินสี่ตัวสอเสือได้เป็นวั น, นสีสส่ ส, สอขอสลากมีตัวหลอ่อสามาสเป็นว่าสี่แปว่างามสี่ตัวนี้คนงามนางเนี่ยยังไงเนี่คนงามก็ต้องมีสินทีคนโบงามหน้ า, นาตาโบางามมานจีมีสิน้นบ่มันก็นมักโกดมักโลภมักหลงสินวะ เนี่ยสิ่งตัวนี้พระศีตัวนี้จะว่ากําจัดกิริอย่างกลางไดอาลีปละคา่าาศึกญาเัวคนไปเนี่ยพระศีอนนี้ไม่ไตรมันอยูก่ไกลๆขันเบาอ่ะอันคนที่บ่เข้าใจแท้ๆมันก็นต้องอยู่ไกลเพระนั้นการซอกหาสวัสดีผ่านโคดีต้องไปซอกเอานอกตัวของหอแล้วยากที่จะเห็นได้ยากที่จะรู้ได้บางทีตายเป่าและโบรูแล้วคือซอกเอานอกตัวของ ท่นสอนให้เฮาหาเอาที่ตัวของเฮานี้มันมีอยู่นี้วันมันก็มีอยู่นี้นิพพานมันก็มีอยู่นี้มนุษย์มันก็มีอยู่นี่เต้ยมันก็มีอยู่นี้สัตว์โดยละสัตมันก็มีอยู่นี้อสุรกายมันก็มีอยู่นี้คําว่าอสุรกายนี่ได้ยินเพิ่งว่าอสุรกายแปลคุกอ้อนแอสักคำหนึ่งเพิ่งเมาจามหนังสือเพิ่งวาอสุรกายแปลว่าโขดอ่อนแอทําการทํางานโดเข้มแข็งสักคำหน แม้คนอ่อนเอไปทําการทํางานบล็อกเข็งแค่นี้ก็จิตใจใดบกก่กระโวใดแล้วอันนั้นมันตนานาําำราเป็นว่าเนี่ยพอเว่าวเนี่ออยพอปฏิบัติมู้จักว่าอสศรก า, ายเป็ยอสศรก า, ายตัวนี้เปรียพวกไกลนะ่ะไกลนักไก่จ้าคนจริงไก่จ้กสัจธรรมเนี่ยพอเข้าใจอย่างจีิอสุรก า, ายตัวนี้สัจเปรนะสตราสารน่ะสัจเปรตสารเนี่ยคือเป็นรู้จักหาย เน่ยพอเปียกเอาคือโตหมาหรือตัวสุนัขเนี่ยมันอยากขี้เส้นันขี้มันอยากเสิงกันเส้นมันกเสิงมันอยากนอนเส้นมันนอนเนี่ยอสุรกายไป็นวาสัตว์คือคนเมื่อถือคมละอายนี่แหละเบ่ละอายตัวคาพูดตัวเองเบ่ละอายตัวที่ทําผิดตัวเองเบ่ละอายตัวมู่ตัวเพื่อนเขาเอิญอสุรกายเออเรื่นสัตว์เรสัตว์สัตว์เรื่สัตว์แปลผลไม่รู้จากอายเขาว่าอย่างสั้นเต้หมายถึงกินบุพอ จินจิตกินเจ็บจินอันนั้นอันนี้หิงอยู่บนเสาจะเถื่อเขือนเตจปากมันไม่น้อยท อ, องมนันใหญ่มีในฐานเรื่องหนึ่งครูบาวอให้ฟังมีเตจจำนวนหนึ่งนอนห้องอยากกินน้ำอยากกินน้ำอยากกินน้าวะนอนอยู่ตามริมน้ำนอนอยู่ตามฝั่งน้ำบ้า น, นี้มีพระพุทธเจ้าเนี่ไปบิฉับาน พระที่ติดตามพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตตั้งห้าร้อยคนส่วนหนึ่งแต่ถามห้องมายังวะสันถามเป็ดยักษ์กินน้ยายังบ์กินน้ำน้าไหลท่าท่าจนเน่ยแลนแต่คุณบวเห็นน้ํนาโลมตู้มตายเลยคุณพระพุทธเจ้าไปถามเนี่ยมันยักษินน้าเนี่ยบวเห็นหน้ําเนีลยนั่งมานอนวันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยเอาภิกษุจํานวนนั้นเนี่ยเออจํานวนที่ไปกับพระพุทธเจ้าหนึ่ง เอาบาาตักเอาเต็มทุกคนทุกคนมาก็อาปากขึ้นละอาปากมันก็ท อ, อกใส่บ้าตั้งห้าลอยลูกเลยนะบาามันตักน้ำมาทุกคนท อ, อกใส่ปากกันมุดตั้งห้าลอยบาทนั้นทําอาี้ม่อสันมันจริอี้ยังพอจะทาบกคอนน้อยเดี๋ยวพอจะซุมนี่วะสันเนี่ยมันหิวอยู่ขนาดนั้นเลยจริงปะพั ว, วไมหิวไี่เพิ่มวันเรียกเป็ดนี่อันนี้นเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็ดหิวอยู่กินเบ่เต่จาจักเถื่อ เพื่อเ่าวรู้จักให้รู้จักอันซอนนักธรรมกันก็ให้รู้จั ก, อ, นน ก, ก, ก, จกอยากไปรู้จักแต่ตัวหนังสือต้องมารู้จักตัวเฮาอีเพื่นเพื่อนนึงเนี่ยเป็นแบบเนนตจจัดโดยแล้วฟานไม่ถึงรู้จักหายอาจุลกายนั้นมายถึงว่ายูกไก่จากคําสอนของพระเจ้าให้เฮารู้จักชังซันอันนี้ก่อนจะรู้จักตัวนี้นะมันต้องอย่างทั้งซีตัวนะั้นมารวมกันสักคนที่เข้าถึงสภาวะอาการเกิดดับหยุดนะั้น จึงจะปรากฏขึ้นมาได้แล้วเนอย่าเพราะว่าที่แล้วรู้จักแล้วเนี่ยรู้จักโหลดโยคะเขาว่าให้ฟังเนี่อันเนี่ยเราต้องปฏิบัติกรไดเป็่ประจำเอาไปปฏิบัติโหลดนี่พระเบเจย์ลงมาเยคะความจริงให้ฟังเ น, นี่ยเป็นว่าเออได้ดวงตาเห็นธรรมบุตรน่ตาอันนี้เห็นหนกใจเห็นบุตรนี่ตาเนื้ออันนี้เห็นตาเนื้ อ, อ น, นี่โอ๊ยมันจีบไปมองเห็นอันใดเนาะ มันก็มองเห็นตั้งแต่เนยแต่พระแต่สาราตั้งแต่ ต, แ ต, ต้นไม้ลีสมนวัตใจมันสามารถเห็นได้เฉพาะว่าวงคือจะนั่งยืเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยพึ้นมือขึ้นคว่ำมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพิษตาอ้าปากกินน้ําลายพลาดอกไปเดินขอให้มีสติลู่เท่าลู่หันลู่กันลู่แก่อันนี้เป็นวิธีเจริญสติปัฏฐานสีแบบลั ด, ลด มันตรงกระตำนานว่าตัวมุตุตรงกระตำฟังที่มันมีอยู่ในตำนานมีบันไดกันโยนเห็นเฮียนเลยนี่หลักสูตรนักธรมสันติทําที่มีอุปกรณมากสองอย่างแนีหนึ่งสติการละลึกได้เนี่ยก็ระลึกได้เนี่ยพลิกมือขึ้นก็รละลึกได้สนุ่นสองสัมปัจจัควารู้ตัวก็รู้ตัวอยู่นี่สนุวนที่มันบ่มีบ่มออกมาสอนกันอันเนี้ยเพิดใจอยู่นี่เนี่ยรู้ตัวอยู่นี่เนี่ย หายใจอยู่นี้นะรู้ตัวอยู่ในอันนี้แหละเรื่องสติประฐานที่ใกล้ๆแต่มันไปสอนไกลๆมันก็เลยไม่รู้จักคนที่สอนนั้นะสอนตามตำรับตํานาซื่อๆนี่นะถ้าหากไม่เนี่ยพอสอนนักธรรมปีนี่เนี่ยพอรับรองว่าบวให้มันออกไปสอนเต็มอันนี้เนี่ยพอที่เอามันอยู่เสมอเนื่องาคุณรู้เสมอคุณอันนี้สอนกันไปตามตำรับตานามันอกได้โดนตาเห็นทําจากเธอหรือคันสอนกันแล้วต้องไปนั่งหลับตาสะกนเนี่ย โผลุดโผล่ยุพองหน่อยุบมาไปซ้อนกันยุบพุ่นอ่ะมันไม่ได้มาซอนในกมภีร์จริงๆเนี่ยเรามาซอนกันในกมภีร์จริงๆเราดูแม่งก็คุณโว้ซะคนของมันมีจิตมีใจสู้คนเราเธอนึโดได้ยินส่องเธอมันก็ได้๊งเนี่ยทำมันสาหนึ่งเนรเห็นนักทมตีเราสู้มือสู้มือเนี่ก็ต้องคิดมือมือให้ได้พอมันทอหูอยู่ได้มันกอกหูอยู่สู้มือสูมือเนี่ นักทําโทรกักนนักละเลขจันมัน ก, ก็ขู่ซุ่มซุ่มมันก็ขู่หู้ ส, กก ส, กกสนุ่วเนี่ยเป็นว่าท่านคนไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมย้อกข้อพ้นว่าเจ้ควรจริงให้ฟังควรผูจริงเพค่รบม่มาเพว่ควรแสดงธรรมเพืเ่อเือและเือนี่นะมีคนไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเป็นร้อยเป็นผ่านเป็นหมืน่นเป็นแสนได้ดวงตาเห็นธรรมบุตเดี๋ยวนี้เฮาไปฟังเทศฟังธรรมเทศบุญพระเวททุกปี แล้วก็เฮ็ดบินบ้านทุกปีเฮ็ดกระถินทุกปีทอดป้าป้าทุกปีไปแล้วก็ไปฟังเทพเทศอยู่กันอยู่ตังตั้งแต่มันเเสาบ่คข่มโก๊บขมโลกผมหลงวงข่มหิวเอาเส า, าบาส่คันหิวบว่เเสาคันหิวยังบ่อเสาคันหิวยังเป็นเต๊อยู่แล้วจีว่ะยังไองฟังเทศแต่ะกันยังหิวอยู่ย ก, ก็กเป็นเต๊อยู่บ่อเสาเลยบัดนี้คันหอบฟังเทพจังตานเนี่ ขันหองยมวะมีคนละอายอยู่กัยังเป็นสัตว์ในรัสารอยู่แล้วแบบนี้ขันหองยมวะเศ้าคนโกยเยอะขันยังเป็นสัตว์นรกอยู่แล้วแบบนี้ขันหองยมวะเข้าใจคําสอนนั้นกับขันยังเป็นอสุรกายอยู่แล้วแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยว่าตั้งใจปฏิบัติเรียนหนังสือก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อไปเป็นเครื่องมือเขาฝึกไปเขาไปให้เหตุนาสบาย การซื้อการขายหอยกระจี๊ยสบายเอาก็ะเจบโ่งโอหอยกเจี๊ยสลาดมีน้อยเอาใจน้อยมีมากเอาใส่มากอันนี้หาเงินได้น้อยใส่มากมันจะจนก็ได้คน่ะลอดกินข้าวคุณอย่าพอบดซื้อมือเดียเม็ดข้าวตกเลียดหลาดพอปานตกไก่กินคุณผ้าเมนยก็คือกันข้อแม่วก็คือกันแล้วมันสอนกันยังไงบ้างลองมองดูเมืองไทยเนี่ยเม็ดข้าวตกคนละเม็ดมันรู้มาจากคน ต้องสามสิบสี่สิบล้านมันก็สามสิบสี่สิบล้านเมน็้เสนอไม่ได้เป็นยาก็กสอบ ก, กระเจมก็สอบเสริมเ น, นี้นยเศรษฐกิจมันอยู่นี่ไก่เดี่ยมันบวชเศไปฐกิอยู่ไก่อันนี้บอดายกินเข้าจะครบปันผ่วยมุกงานเนี่ของอันยะอยู่ในเขาบางคนบางคนกะดีแต่บนเมื่อซีว่าซัว่วหมดเด้โบนไม่เป็นหมดบางคนกะเป็นบางคนกะโบเนเพิ่งสอนอยังสี่หลักประห ย, ยัดต้องการสอนให้หู้จักจริง กินข้าวกินน้ำคำว่ากินขา้าวบ้านอย่พอเอาคนว่าตามตัวหนังสือว่ากินขา้าวเ น, นี่ยอย่พอมันปากภาษากลางโบกอยถูกกับตัวหนังสือเพราะอย่าพอไ่ได้เรียนหนังสือเด็กบ่ได้เรียนหนังสือพอนิปปสองอย่าพอไม่ได้เห็นหนังสืออย่าพอเพิ่งมาเขียนหนังสือไทยเข้าใจมายุปาพุทธญาณบ้านกําเนิดเพชรลงมาบานวิทยาลัยครูนึงเลยนี่นะอย่าพอมาเข้าใจน้อย แล้วก็เขียนมาขัดเขียนมานำมุ่งนำเพื่อนอยู่เท้าชุ่มืออยู่นี่แหละผู้ใดสอนให้ยาพ่อยาพ่อเก่ายาพ่อไม่ได้ดีอ่ะกูเป็นกูละกูเป็นผู้ใหญ่ละยาพ่อโบเขยบิดจักถือแล้วก็บอกเคยติดยาพ่อบบเขยติดติดสำหนักนั้นเนี่ยบอมโบเขยติดพ่อยาพ่อพูดอย่างนี้สิยาพ่อโบเขยยึดถืออย่างนั้นไถซีว่าจะเนี่ยเสมีนอยู่ยาพ่อรับคำพูดของมุ่งยาพ่อนีผู้มาสอนนะยาพ่อถือบุญคุณบุญคุณมากที่สุด การที่จิตะหน่ำบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาที่เป็นนอนเป็นขัวขี้เป็นขอนขี้เป็นวะนิทานแม่์พอเขาจิตขี้คนใดเป็นลมนอนนะเป็นขี้ใสพระท่านผู้หนึงบวชพระทัานแล้วก็บผู้นึงเลี้ยงพระทัานเป็นว่ามีลูกอยู่สองสามคนและผู้ใดที่จะตอบบุญแทนคุณของพ่อแม่มาคนหนผู้บวชผู้บวชตายไปแล้วไปเห็นไส่แต่นั้นลงบนโอ้ผ้าเหลืองเหืองลูก เออแซงไฟอ่ะแซงนั้นแซงไปมันลกเสมอที่เรื่องเรือคือผ้าจีวรเก็บขี้ไปเป็นนอนใช้ถ่ายขี้ไทยเนี้ยผู้นึงเลี้ยงมาตั้งแต่ไน้อยคุณเกิดมาก็เลี้ยงพอเลี้ยงไปจนตายผู้นึงบวชจูงพอจูแม่อันบวชจูงแถวในบวแมนได้ไหมบวชจูงนี่หมายถึงให้ข้อคิดเป็นธรรมะคุณเด็ อันเห็นผ้าเลืองเหลืองนี่กักจิีวาวพ่นบมเป็นสมมติเป็นปุกกะลาทิธานแต่เรื่อการทิตตอบบุญคุณของครูบาอาจารย์ในโบสถ์มีทางอย่าพอเข้าใจอย่างที่เป็นเปียกไปว่าเหมือนน้ำดอกบัวขีแ้แบกเกิดไดหนอกบัวขี้แบ้นั้นใบจีง่ายปลาได้มควมนองนาบนควมใดมันควมโบไดค ว, ว, ว, วมนองแล้วนกไดน้อยบินยไรท้องฟ้าได้ยะมันบินคืนปีก บ, บังพระอาทิตย์บได ที่ไปทุกโลกกับโบไดเป็นว่าการตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์นั้นหนักนะตอบบุญแทนคุณ ข, ของพ่อแม่กันหนักหนักที่จะตอบได้คือเคารพตัวเอง <c oughs> การเคารพตัวเองนี่แหละเป็นการตอบบุญแทนคุณของพ่อแม่การที่ให้ทำเป็นทานเว้าแทนพระเจ้าเนี่ยเป็นการตอบบุญแทนคุณของพระเจ้าอันนี้พี่อยาพขอเข้าใจโดยไม่ไดเอาเงินเอาทองให้อันเงินอันทองมันมีอานุเพราะห์เพิ่ม เราคารกนับถือครูบาอาจารย์ขารุกตัวเองเนี่ยพอเข้าใจจีบูเหตุผิดถ้าทำที่ไหนไม่เห็นเพิ่งกับที่คารุกนับถือเพิ่งตามธรรมดาร์เพิ่งมากับทีคารพพระพุทธเจ้าหมาลูกครูบ า, า, าอาจารย์มาเนี่ยพอคารุกเน่ยพอบทบทถึงผลลัพธ์ับปันหนอยาพอรู้จักอังซี่จิตใจเน่ ย, อยพออน่ยพอยึงก้ายืนยันรับรองคําผูดของ่ยพอทุกคําถ้าไปปฏิบัติแดกนี่เน่ยพอรับรองได้อ้าวามปีย่างนานที่สุด จะ ต, ต้องเฮ็ดกันจริงๆนะเลิกงานนะสามปีปฏิบัติติดต่อกันเหมือนลูกโซ่นี่นะ่ะอย่างนาะสามปีย่างกลางให้เวลาปีนึงย่างกลางให้ปิดาปีนึงสามรอยี่สิบห้าวันและย่างเรลยที่สุดนับตั้งแต่ ม, มือหนึ่งถึงเข้าจุดมือเรียกว่าสามเดือนเรื่องผมโกกผมโลกขลก่มหลงเรื่องคุณยึดมันถือมันนี่สองประเด็นเนี้หายไปทั้งบุญก็ต้อง อย่างน้อยที่สุดก็ต้องไปละในเกณฑ์60เปอร์เ็นเรื่องตีนจะปรากฏขึ้นมานั้นเอาให้เวลาปีหนึ่งให้เวลาปีหนึ่งเรื่องตีนรู้จักจพวกที่กินได้อย่างง่ายอย่งางงไม่ให้เวลาสามปีแต่ว่าตอนสุดท้ายเรื่องอาการเกิดดับเทเทดอยบบวกกาหนดใดเรื่องเัินพราะว่าเรื่องตัวเองว่าให้ฟังกับเขเข้าใจเรื่องเงนี่เนี่ยเพระที่มีความสามามาจิต พยายามเจาะเข้าไปเลยให้จิตใจบัรลงไปัะเป็นอย่านพอคิดอย่างพอกล้าได้ครับคู้ควาพอรับรองได้รอยปดศีลคำผู้ควยางพอนี่และเป็นวิธีวิปัตยนุวิปลราชจิตญาณยาพอว่าอย่างพอจักมาพอสมควรพอางพอปฏิบัติจริงๆเนี่ยหรือไม่ไปเชี่ยับไปจำเอาคำพูดของคนนั้นคนนี้อยาพอบบจอยางพอเาเนี่ยอยาพอเาตั้งขบจริงพัฒนาจิตใจจริงๆอืบเมนมนคือว่า ไปจำำําคําว่าของผู้นั้นจําคําว่าของผู้นี้บบนเนี่ยเพราะโบจับเนี่ยพระเอาคมเห็นเนี่ยพเพราะจิตจิเมาว่ยเป็นการถอดมาจากดวงจิตจิงใจไม้ไปสอนผู้อื่นเนี่ยพราะสอนด้วยคนจริงใจเนี่ยพอโบสอนหวังค่าจ้างหลังวันก็หวังว่าจงให้ผู้อา่นมายกมายอเนี่ยพอบอกสอนเพื่อให้ขาเจ้าคนทุกซื่อนี่นนะ พ, พระพุทธเจ้าพคนมาจังไดตอนพคนได้เป็นพระละหันมาเนี่ยเรียนแล้ว ที่ทวารวดะเนี่ยเรียนเนี่ยเมื่อไปพบเอากับอุปการที่ยกคนหนึ่งเล่าความจริงให้ฟังโอ้ปับแต่เลยอิท่านกับแลกฤีธเนี่ยเนี่ยโอ้ว่าจังเล่าความจริงให้ฟังมันเป็นนังซีเด้คนต้องการความจริงเอากุญแจให้บอกเนี่ยเพื่นจังมันเป็นปานันละเมื่อเราทํามาให้ฟังบัดนี้แต่พออิตาพุตสาเันได้กลาพราะาเกียรติมันมาต้องอมคอม ผมเข้าใ้ฝังเข้าใจและบันนี้ไปพบออกพวกไปเ จ, จ้าว่าขี่ไปเพื่อนั้วก็นบนบรยาบอยอมฟังอีกทึมฟังก้อนฟังก้อนบอกให้ฟังลหลายเพื่อแต่เมอดุดอดขั้นใจฟังให้วา่าจะไปเมื่อฟังแล้วโอ้คำคำนี้บุกเคยได้ยินจากเทื่อนไปพิจารณาอัญญาคนหันักก็เลยรู้ว่าจะแน่ เมือ่อัญญกุณฑัญรู้และกับมุลกับคอยรู้ตาเมื่อเพื่อนููตามได้เพื่นสอนที่ไหนบ้าเนี่ยเพื่อนสอนอะ่ะพ่อเจ้าสอนนะ่ะเรียนแล้วประวัติต่เพื่อนสอนบอกให้ไปเรียนนักทำตีนักทำโทนักทำเอกเรียนมห่มมาหากันเนียเพื่อนบุรสอนจังสักเพื่นสอนจะเอรูแล้ ว, ว, วต้องไปทหนาทีไปประกาศไปสอนข้าเจ้าข้าเจ้าทุกให้ข้าเจ้าหมดทุกเนี่ยคนว่า เธอไปทางพุน่นเพราะนั้นไปทางพุ่นอยไปนองกันสองคนสามคนนะไปบนละคนเราทีไปทางพี่ผู้เดียวคนสอนเนี่อันนี้เขาบ่ให้จังสันนี้หมดขนนองเขาฮูแล้วต้องจำไปเอาไปเอาเงินนี่เอาเงินเบี้ยนี่นี่มันตรงกันข้ามเนี่ยเขาสอล้วกขยักกูใหญ่เนี่ยเป็นฮูเนี่นี่ขะและ้วกูเน่ยนี่มันตรงกันข้ามทั้งมัดดังนั้นจึงว่าการสอนการเรียนมันจึงว่ามันไกลจากผมจริง มันก็นเลยไปได้คนจริงจ้าเถลือเมื่อสอนเอาจากคนจริงมันจะได้คนจริงด้วยคนนะเมื่อสอนเขาไปหาคนจริงมันก็ได้คนจริงสินะ่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วบ่มีมรรคผลนิพานบ่มีนะลูกโอ้อันนั้นเข้าใจผิดมากที่สุดพวกนี้เนี่ยทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพานเนี่ยพระอรุณถามนะไว้นะ ถ้าองค์นิพพานไปแล้วผู้ใดจะเป็นครูเป็นอาจารย์เนาะัันผู้ใดจะแนะนํำต้งสอนเนาะสันจึงยกให้ผู้ใดเนาะสันเป็นหัวหน้าเป็นผู้สอนเนาะพระพุทธเจ้าบุได้บอกว่าให้องค์นั่นเป็นแกเนาะองค์นี้เป็นแกเนาะคนบุได้บอกอย่างนั้นคนยกให้ทุกคนเป็นแกเป็นใหญ่แล้วเป็นครูเป็นอาจารย์จริงจริงนะคนยกให้แล้วถ้าทำวินัยเราก้าวไว้ดีแล้วสันการทุกข์ก้าวไว้ดีแล้วเขาต้องเขารบท่าทำวินัยกันเรียนนั้นที่เรียนสมาปฏิบัติี ถ้าทำวิถีในนั้นเน่ยที่เป็นศาสนาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนแทนเล้วาวจะเป็นวะโดยนี้เราบัวได้เอาอย่างไงเรียนมันนะแบบครูดได้นักทาตีครูดได้นักทำโทษครูดได้นักําเอกครูดได้มาหาป ร, ริญญาอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้น่ยเอาอันรู้อันนั้นมันบัวของเห่าวะไปเฮียนเอาของผู้อื่นมาเวาวะ่ะมันเข้าหลักเลยหลักของเขาหนึ่งเมฆมันเข้าหลักเลย พูดอวดอุตรีมนุษษาทำคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนเนี่ยเขาหลักไปบางทีเตะเหาได้เหมือนเบอร์เมีนเขาสั่นี้แต่บามมันไม่จบ่ากทีเดียแล้วเหามาฟังนุอเสบนาจะพารานางเนี่ยเราจะไม่เสกคนผ่านียคนพ า, านเราเห็นว่าเขากินเหล้าลิ้นเบี้ยเล่นการพา น, น, านันเที่ยวกลางคืนผิดอันนั้นอันนั้นบอกคนผ่านอูยังนั้นยาิที่สุดแล้วนั่นน่ะคนผ่านภาษาคนเป็นวายคน อาเซวันนาจะพาลานังหมายถึงที่ผยูด่ดำจิตใจโง่โงเนี่ยจิตใจมันคิดจงแต่งไปทางที่ผิดเนี่ยเพื่นวาอย่างซีนะผู้ดูเจ้าเป็นโจกมาพี่ตื่นหนึ่งนะบัณฑิตกานันจ่าท่านบัณฑิตแปรยนักปัสสเห็นชีวิตจิตใจของเราพี่ควรยู่เนี่ยเซวันนาหืออาเสวันนาจะพาลานังอาเสวันนาจะพาลานับัณฑิตก า, น า, น า, น า, ารนันจ่าเสวันนาเนี่ ปู่กาจาปู่าที่อย่างนา้ควรปูสาทิ่งที่ควรปูสาะปู่ซาเทวดาปู่าเพราะเขาลบมันควรปูสาปู่าควรที่ปู่ซาสติปัญญาเฮานี่เขารบตัวเฮานี่เฉันสอนมาเนี่ยเอตมังเขาเริ่มตมังแล้วฉันโย่ขันได้ทั้งสามอย่างนี้ก็เป็นสิริมงคลแก่เฮานี่แหละคน่าเป็นสิริมงคลแก่เฮาพี่เด้บนได้เป็นสิริมงคลแก่ผู้อื่นเนี่มบนได้ใส่สินบนลูกผู้พระไปสวดนั่เป็นสิริมงคลอันนั้นกับเมียนยู มันไม่ภาษาสมมุิ <whatever language> มันเป็นภาษาของคนธรรมดาไม่ใช่ภาษาหนักป่าภาษานักป่ า, าปมันต้องบูซาตัวเราเขาลบตัวเราการปูซาตัวเราการเคารพตัวเราเป็นเป็นการปูซาพระผู้ริาาเจ้ามันเป็นการเคารพพระผุ้ริเจ้ามันเป็นการปูซาคนอื่นมันเป็นการเคารพคนอื่นไปทั้งหมดพรอเขาว่าําผิดบุคูล ผ, ผ, ผ, ผ, ผ, ผิดบุคิลผิดแปลวเขาเคารพคําพูดของเขาอยู่ เขานะเคยได้ยินนวะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เขาลบพระธรรมเขาลบพระธรรมอยู่ใสเงินทุกคนอยู่เนี่ยพ้าทุกรลกอยู่เนี่ยมีพระธรรมมั้งเดี๋วเขาลบตัวพรยพ่อไปแล้วเป็นการขาลบรูเงินมั้งแล้วไม่จีบไปก้มกราบใงินนางสีไปก้มกาบอนันานันตนันกเมีย น, น, น, น, น, น, น, น, นอยู่ อ, อนันเป็นเรื่องสมมติให้เขาเห็นทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคนมันเห็นตั้งกายทำเนี่ย ส่วนใจแล้วคุณบ่สามารถที่มองทะลุเข้าไปได้เพียงนั้นเท่านั้นที่หลวงพอได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจมือมือกันเลินคือกันผ้าคือกันจำไว้เอาไปปฏิบัติให้เป็นคู่ชีวิตจิตใจของเขา่าติไปคิดทางทิพิ์ไปคิดทางที่พิดแล้วมันเสียปฏิบัติโบทูก ป, ปฏิบัติโบได้ผล ถ้าปฏิบัติอย่างอย่างพอวานี่เนีย่ยพอรับรองในตำราเขาบอกว่ า, วาการเจริญปฏิปทานสี่ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานเจ็ดปีอย่างการเจ็ดเดือนอย่างเรวนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงสิบห้าวันมีอนนี้สองสองประการหนึ่งเป็นพระราหันถ้าหากว่เป็นพระราหันในสาวนี้ต้องเป็นพระนาคามีสองพระนาคามีปัจจุบันนี้พระนาคามีนี่หมายถึงว่าอยู่ผู้เดียว อายผู้ดเดียวเขาจะกลหมาถึงบ่มีผูบ่มีเมียจึนั้นกลับสป็ภาษาคนให้เข้าใจอย่างสั้นคาว่ายผู้เดียวนั้นบ่ดไม่ได้มีความกลัวความรบกุมหลงเนี่ยพอเข้าใจสิยุด้วยสติปัญญาจริงๆอย่างสั้นเนี่ยพอเข้าใจอันนั้นก็แมนอยู่ผู้เดียวโดดเดียวบ่มีเขาบ่มีขวนะครับแมนให้เข้าใจสิก็เหตุว่าสมควรเนี่ยมันจวบเวลาพวกเราเจะได้ออกไปทางานตามหน้าที่ไปบิดาบัดนะครับเา กกว่าไงครับสนใจไหมระยาโดินสนใจก็เชิญไปได้นะที่วัดโมกขวนารามบ้านหัวทุ่งตำนบลเมืองเก่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ข, ข้างสนามบินเลยมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปหน่อยหนึ่ง ในหลักกิโลเมตรที่6เขาเป็นหน้าวัดหมกเขาเป็นนารามจังหวัดขอนแก่นนี่ท่านบรรยายไว้เมื่อเดือนมิถุนายน2523ปีนี้ท่านก็จะทำภาษาที่วัดโมกเขาเป็นารามจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับดังนั้นท่านสาธุชนหรือท่า น, นิองสนใจก็นิมนต์ได้นะครับเชิญครับ